เพราะความเจริญในธรรมจะงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานกำลังนำเสนอพระพุทอุพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงเปล่งหลังจากสเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่นะต้นจิกชื่อวมุตจจลิแในข้อความในตอนต้นนั้นตรง เร่งว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษเราะฉันสันโดษเป็นเหตุความสงัดความสุขนี่เป็นผลความสงัดในที่นี้มันก็เน้นที่ความสงัดจากบาปจากอากุศลทั้งหลายบางทีท่านเรียกว่าวิเวกก็สรุปแล้วก็ถ้าเราเรียงโดยละเอียดเนี่ยอาจจะหลายระดับ แต่โดยทั่วไปก็คือสถานที่ที่เราอยู่นิสนัดจากเสียงรบ ก, กวนจากเสียงรบ ก, กวนจากบุคคลที่รบ ก, กวนพระถ้าเกี่ยวข้องกับคนมากใน่มันสงบได้ยากแนวของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือเน้นไปที่นักบวชเพื่อวางตัวเองประพฤติปฏิบัติตัวเองให้เป็นหลัก คือไม่คุกคีกับหมู่มัคคณะมากเกินไปถ้าอยู่คุกคีกันคุยกันพูดการเล่นกา ร, รอะไรๆเนี่ยมันพลาดพลานเวลาชีวิตตัวเองให้สิ้นเปลืองไปโดยไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างน้อยที่สุดเนี่ยโดยคนในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นยุคไอทีมอนก้าวหน้าไปเยอะแล้วเนี่ย คือทำยังไงจะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกซะบ้างคือลีเร้นแสดงอยู่เป็นส่วนตัวซะบ้างมีการพักผอ่อนมีการหลับนอนตามการดําเวลาจะบ่งคือไม่ได้ไปเครียดกับอารมณ์โลกมากเกินไปข่าวคราวต่างๆได้ยินได้ฟังระจบนะฟังแล้วระจบเพราะว่าจริงๆเราไม่มีส่วนที่จะไปเกี่ยวข้องจะไปแก้ไขอะไรเไว็นวายแต่ว่า เราจะมีส่วนต้องรับผิดชอบก็ทำกันไปตามภาระนาทีแต่ความสงดที่ที่เน้นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ากายวิเวก ค, คือกายสงัดก็มีสองระดับอย่างที่ว่าเนี่ยดับหนึ่งก็พูดถึงสถานที่ที่มันสงัดรับที่สองก็พูดถึงหลักการปฏิบัติที่คุมอาการกรวาจากายกวาจาเนี่ยให้มันสงัด เรียกว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาคือไม่ได้ใช้กายวาจาไปในทางที่สร้างปัญหาแก่คนอื่นพูดโดยสรุปก็คือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลหรือแต่งเดือดร้อนกระนี้กถือว่าเป็นการสงัดระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอยู่ระดับตรงนี้จริงๆเนี่ยยังไม่สงัดหรอกก็เข้าไปสู่กระแสของธรรมะ ลองสังเกตว่าแนวที่เราควบคุมอาการกายวิจารณ์เนี่ยมันเป็นแนวแคล้ายๆกับโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยแต่ยิงเราไม่บรรลุเป้านะฮะสังคมปัจจุบันที่พูดถึงสิทธิเสรีภาพย่อมได้รับการคุ้มครองตลอดถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพอย่ารับการคุ้มครองเนี่ยเราจะมีการละเมิดทั้งสิทธิและเสรีภาพของกันแข่กัน และบางทีพวกเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนั่นเองก็จะคุกคามสวัสดิภาพเสรีภาพของบุคคลอื่นเนยอะอย่างพวกกลุ่มกินปีนพีชเราลองสังเกตข่าวคราวต่างๆก็คุกคามก็เบียดเบียนคนอื่นก็ก้กาวร้าวรุนแรง่งก็แปลกเนีเวลาตัวเองทำกลายเป็นความทุกชอบทำ บางทีบุกไ ป, ปยึดบ้านไปยึดเรือไปยึดอะไรเขาที่จริงมันเป็นการกระทำแยงโจรแต่สังคมก้องคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นวีรกรรมมันเป็นเรื่องที่น่าพงนพอถ้าเราโอเคในทางศีลข้ากำหนดแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันผิดศีล้ว แ, แสดงไม่สงบไม่ส ง, งัด แต่บางครั้บางคราสังคมก็ยอมสยบ ก, กับคนเหล่านี้นะฮะคือหวาดกลัวตัวคนเหล่านี้มันก็หวาดกลัวสื่อทั้งหลายพวกเอ็นจอบางพวกเนี่ยฮะสังคมก็ไปหวาดกลัวคนเหล่านี้เลยคนเหล่านี้กลายเป็นผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสังคมเสียเองดังนั้นไม่ต้องเดินเข้าไปถึงจุดหนึ่งคือไม่แบ่งแยกเพราะวิธีการอย่างนั้นมันมองเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขากันถู เราอาจจะอยู่ในรูปของการเคารพแหละแต่ถ้าหากว่าเขาเกิดมีปัญหามาละ่ะแล้วทํายังไงอ่ะก็ต้องช่วยเหลือกันแต่้ใจไม่ถึงอ่ะใจไม่ถึงก็ไม่ช่วยเพราะเราต้องพัฒนาใจขึ้นไปให้มีความรู้สึกเชื่อมโยงตนเองกับบุคคลอื่นและในสุดก็จะช่วยเหลือคือค่ครูแก่ บ, บุคคลอื่นในประการต่อไปก็คือ เป็นเรื่องความสงบในด้านจิตคือด้วยสมาธิแต่อย่าลืมว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาการแล้วมันเป็นผลเป็นผลคือความสุขก็ดีความสงบก็ดีนั้นสันโดษก็ดีมันมีอยู่ภายในประทยของพระองค์ลองสังเกตนะฮะถ้าเราเชียบในองค์มรดจะเห็นว่าสุขสงัดก็ดีสุขก็ดีเนี่ยมันเป็นนิโรธ แล้วก็สันโดษที่มันเป็นมร์อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นสัมมาชีวะเพราะก็แสดงว่าพระเจ้าก็อยู่ในกลุ่มของปฏิจจสมุทสาดับก็ปรากฏดูเฉพาะมร์กับนิโรธภายในพระไตรค์ของพระองค์นี้ก็มีเฉพาะมร์กับ น, นิโรธแต่ก็ไม่มีไอ้ทุกข์กับสมุททุกข์กับสมุทัททไทยไม่มีนะครับทีนี้ ถามว่าตรงนี้มันมันจะเป็นการสะกดหรือเปล่าโดยอย่าลืมว่าสะกดนั้นเป็นผลก็ได้เป็นเหตุก็ได้นะตอนนี้กำลังพูดเป็นเหตุเพราะมันเกิดสะกดเนี่ยซึ่งเป็นผลถาวรเป็นผลที่อยู่ได้ถาวรแต่ตามปกติแล้วมันก็เกิดได้ยากนะระดับถาวรเนี่ยะอะไรเพราะว่าการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลส ข, ของคนเราโดยสรุปนะฮะมันจะแบ่งเป็นสองระดับ ตัวหนึเรียกว่ากำเริบเป็นกุปฐธรรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้บางคนก็เปลี่ยนแปลงมากๆสวันดีสี่วันร้ายลมเพลลมพัดเอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ค่อยได้แต่บางทีก็เปลี่ยนแปลงช้าหน่อยเล้วมีเหตุมีผลเพิ่มขึ้นแต่ก็สรุปวยังอยู่ในกลุ่มของกำเริบได้อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกกุปฐธรรมคือไม่กำเริบ ผลกันจะไม่กําเริบ ม, มันก็ต้องเดินไปถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าจิตวิเวกคือสงัดจิตจิตมันสงัดจากพวกนิวรณ์ทั้งหลายพวกกิเลส ท, ที่จิตเป็นเหนียวนึกตรึกนึกถึงเ อ, อกิเลสเหล่านั้นเนี่ยด้วยอํานาจของกิเลสล่านั้นพระเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุนเหนียวนึกเพราะนั่นจึงเป็นผลแล้วก็จนถึงอุปเที่วิเวกคือสงัดกิเลส ที่ทรงชัยสำนวนว่าถอนตันหาพร้อมทั้งมมลรากได้แล้วจิตเราเข้าถึงวิสังขานคือไม่มีปัจจัยปรงแต่งแล้วพันธาอย่างนั้นก็เข้าสู่ความสงบที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ฟูไม่แฝ่ไปตามอารมณ์ที่มากระทบดังกล่าวตรงนี้ที่จริงก็คือคุณลักษคุณสมบัติของพระอระหันต์นั่นเองและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือว่า ประลบจากพระไถ่ของพระองค์มีข้อหนึ่งที่ว่ามีธรรมปรากฏแล้วคือธรรมะนี่มันมีอยู่ภายในใจเราธรรมะในที่นี้ก็คืออริยมรรคอริยผลนะฮะก็เห็นเห็นแล้วอริยมรรคอริยผลก็อยู่ภายในพระไถ่แต่สมรับเราเองนะ่ะสมรับสามัญชนเนี่ยคือเรามักจะเรียกร้องธรรมะจากคนถึงตือว่าเป็นเรื่องแปลก หยิบร้องความเป็นธรรมความยุติธรมรมโดยวิธีดา่าทอเกลี้ยวกราดรุนแรงอย่างพวกกระท้วงตั้งหลายลอาสังเกตนะจะเรียกความเป็นธรรมอนะแต่แกไม่ได้ใช้ธรรมะเรียกแล้วก็จะโกรธเกลียวนะฮะเมือ่อเมื่อเขาไม่ให้เนะี่ยทางเทียว่าเขาไม่ไม่ได้ใช้ธรรมะคือไม่ได้เห็นธรรมะที่ตัวเราก่อนอย่างคนเราเนี่ยที่เราพิเรียกว่าคุณธรรมหรือคุณมสมบัติเนี่ย สมมติว่าต้องการย้ายคนคนหนึ่งไปทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งเนยคนคนนั้นเนี่ยคนที่จะไปเนี่ยมันต้องเห็นคุณธรรมภายในใจตัวเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเห็นสังขาะวัตถุภายในใจตัวเองเห็นความอบอ้อมอารีภายในใจเพราะว่าการติดต่อประสานงานกับคนอื่นเนี่ยก็เรียกว่าหลักมนุษยสัมพันธ์ มันเป็นเรื่องใจต้องประสานใจแล้วก็ยอมรับนถือสถานภาพของกันอะไกันแม้วาจาที่พูดสื่อสารกับเขาเนี่ยต้องมีการให้เกียรติยกย่ยองพูดด้วยความมุ่งดีปราถนานดีและสิ่งที่นำเสนออะไรก็ตามเขาต้องมองเห็นประโยชน์แล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากการทำเช่นนั้น ต้องให้คำตอบได้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรคือคนที่เราชวนเขาให้ทำเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรแล้วการวางตนเนี่ยไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปก็เหมาะควรแก่สถานะคือต้องชัดเจนในอัตตัญญตานฮะรู้จักตัวเองชัดเจนรู้จกักท่านชัดเจนการปรับสภาพคนให้กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในพูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางทีระวางคนผิดแล้วก็เสียแผนหมดทั้งเรื่องเลย วิธีการบริหารงานบุคคลถ้าเรามองในแนวของอารามาเกียนก็ได้นะคือมายังนึกถึงเรื่องดรามาเกียนเนี่ยว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นรัฐศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์เป็นหลายหลายเรื่องนะเป็นสังคมเป็นจิตวิทยาถ้าเรามองในแง่ของวิชาการแล้วจะได้วิชาการไปเล่ม โดยเฉพาะอย่ายิ่งคือการใช้บุคคลมอบหมายคนให้ทํางานนี่ยของพระรามเนี่ยเราสังเกตว่ามีพิเภกไปที่ปรึกษาเป็นลักษณะที่สุนวูบอกว่ารู้เขารู้เราเราร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะนจึงไม่ประสบความล้มเหลวทุกครั้งที่รบเนี่ยเพราะท่านเลือกคนที่เหมาะสมกับงานเนี่ยถ้า่ายโน้นเป็นใครแล้วใครที่จะกํำราบก็ได้นะก็วางแผนกัน แล้วก็ส่งตัวบุคคลไปเหมาะสมแก่กรณีนั้นนั้นข้นหลัการเหล่านี้ก็คือว่าคนเหล่านั้นมีคุณธรรมคือมีธรรมะอยู่ภายในตัวเขามีที่นีทีไล่มีไว้พิปติพานที่จะจัดการแก้ไขกับปัญหาเหล่านั้นยิ่งว่าคนงานบางเรื่องผูกเจราจาความเมืองเป็นทูตเป็นภาษาถึงมันมีทั้งความเป็นาศาสตร์เป็นศิลป์นเนี่ย เพราะถ้าคนเหล่านั้นไม่มีไม่มีธรรมะอยู่ภายในไม่มีกุณาธรรมอยู่ภายใ น, ม, ม, รร ม, ยยในมันก็มันก็ไปไม่ได้ยังเวลานี้แต่เราพูดถึงการขาดแคลนภาวะผู้นำคือผู้นำที่มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยยากนะไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องกรันกรองอาเต้องเลือกเฟ้นมา มากแล้วตามปกติคนดีจริงๆเนี่ยคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยเขาไม่วิ่งไปกราบกลานไปขอเป็นนี่คือปัญหาใหญ่เวลาขณะความคิดสังคมอย่างเงี้ยความคิดสังคมอย่างเนี้ยเราลองสังเกตเพราะในที่สุดนี่คนที่เขาดีเขาเก่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมไปทําอย่างนั้นไปกราบไหว้หมดเลยส่อควยค้าอย่างไหว้เลยเนะฮะเพื่อจะขอเสียงเพรา ะ, ะเขาจะไม่จะไม่ไปทําอย่างนั้น เราจึงได้คนระดับกลางๆเนี่ยได้คนดีไม่ได้หรอกเพราะคนดีอ่อนบางเด็กเขาไปอัญเชิญมาเลยมันไม่ใช่ท่านมากราบขอเอานะเราต้องไปอัญเชิญเข้ามานะพระรามเมื่อเตรียมจะรบกระทศกันเนี่ยมันต้องไปเอาพวกเสนาวนอนพวกสิบแปดงกุดเนี่ยไปหาเขาแล้วก็เชิญเขามาหรือแม้แต่ในเรื่องรามเกียรตนะ เราเจนว่าละปีเนี่ยต้องไปหาของแบ้งมาเพราะโครงสร้างสังคมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปล่อยให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากลับการานเพื่อขอรับตำแหน่งตรงนั้นเขาไม่ทำอะไรฮะเพราะแนวแนวโบราณเราลองสังเกตฮนะแนวที่มีราชรถมาเกยแนวไรแต่ไรแนวที่ที่เขาเรียกอนเนกชนนิก ร, กรสมสรสมุติเนะี่ยมีความชัดเจนว่าไม่ใช่ท่านวิ่งมาหาเรา แต่เราวิ่งไปหาท่านไปขอร้องให้ท่านช่วยเหลือในการดูแลรักษาบ้านเมืองแต่เวลาเนี้ยมันเปลี่ยนมันปิดปาปิดตัวเราไปคิดแบบฝรัง่งล้วผลสุดท้ายก็โวยวายนะฮะที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางนฮะที่จะที่จะเอาสุดคนที่ยอดยอดจริงๆเข้ามาอยู่ในจุดตรงนี้เพราะมันเสี่ยงเหลือเกินนะ ทำลายชื่อเสียงมงสกุลผลพี่ยุบยับหมดเลยนะใครโผล่ขึ้นมาทักคนแล้วก็่าพี่น้องก็กระทบกระเทือ น, นไปเป็นแถวนั่นคืออะไรคือว่าท่านเหล่านั้นต้องมีธรรมะคือมีธรรมที่ปรากฏแล้วอยู่ภายในใจของท่านเราจะเป็นอะไรก็ตามก็ต้องมีธรรมปรากฏแล้วโครงการโครงสร้างง่ายๆนะเช่นว่าคนจะแต่งงานกันเป็นสามีภรรยา เข้าใจธรรมะของสามีกับปัญญาหรือเปล่าอนั้นเราพูดอยู่สูงสุดพระพุทธเจ้ามีธรรมปรากฏแล้วภายในพระไทยของพระองค์นั้นมีปัญญารุ่งเรืองมีบริสุทธิ์มีกรุณาเต็มที่แต่จะโครงสร้างตรงนี้คนทุกคนต้องเห็นธรรมะภายในตัวเองแต่เราไม่ได้ดูตรงนั้นนะอย่างความคิดที่มีการพูดกันแพร่หลาย ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่คนของใครค่าของคนอยู่ที่คุณมีเท่าไรหร่แล้วขึ้นอยู่กับดวงเนี่ยแล้วก็มาอธิบายว่าดวงก็คือดอกก็คือเด็กของใครวอก็คือวิ่งกับใครวิ่งทางไหนวิ่งโดยวิธีใดงอเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพความเลวร้ยรายภายในสังคมที่ไม่ไม่ได้มองเพื่อส่วนรวม คนใหญ่คนโตก็มองว่าตัวเองจะได้อะไรแล้วคนที่อาสาสมัครมาก็คิดว่าตนจะได้เป็นอะไรใน่สุดมันก็เรียกกำไรคืนก็กลายเป็นวงจรที่เอาประลักกันอย่างที่เราพูดกันในสมไมปัจจุบันเพราะคนต้องเห็นธรรมะแล้วก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นในจุดเหล่านั้นอย่า ง, างในแวดวงของพระเนี่ย ลองสังเกตว่าในอะไรเราก็สัญญาบัตินะสัญญาบัติที่แต่งตั้งพระสงฆ์รับสมณศรรักนดะิ์เนี่ยคือถ้าหากพระพระได้จนักตรงนี้ได้นะมันน่าชื่นชมยินดีนะมีข้อความว่าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระนับอธิกรณ อนุเคราะห์เป็ภิกษุสามนเณรในพระอารามเป็นอย่างน้อยนะฮะเดี๋ยวขึ้นดูกับฐานะตำแหน่งของท่านเหล่านั้นด้วยยังไปกํากับไปในที่อื่นอีกเป็นนั้นมากอำนาจหน้าที่เช่นเป็นเจ้าวาดมีอานาจหน้าที่ยังไงเป็นเจ้าห น, น้าตําบลมีอำนาจหน้าที่ยังไงก็ว่ากันไปกํากับเรานี่ยมันก็ต้องดูเราทําได้หรือเปล่าถ้าเราทําได้เนี่ยมีคนอื่นทําได้ไหมระหว่างเรากับเขานี่ใครทําได้ดีใครทําได้ดีกว่าใครทําได้ดีที่สุด เพื่อนก็หมายความว่าเราอาจจะเปิดทางให้แก่คนอื่นคือเราไปทำอะไรทุกเรื่องมาไม่ได้นี่ก็คือมีธรรมที่อยู่ภายในใจของเราตูจานมีธรรมปรากฏเป็นการถาวรแล้วก็เห็นนะฮะมันมีคคาบาลีอยู่คาหนึ่งที่ท่านพูดตอนเห็นผลก็เรียกว่าญานทัศนวิสุทธ์คือปรีชายานที่ยังรู้แล้วก็เห็น ความบริสุทธิ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยมันก็เหมือนอะไรอะเหมือนเรากินอาหารเรารู้ว่าเราอิ่มแล้ว ร, รักษาโรคเนี่ยเรารู้ว่าเราหายแล้วเราอ่านหนังสือเรารู้วเราเข้าใจแล้วก็เป็นพวกญาหทัศนะคือความรู้ความเห็นในสิ่งที่ตนสัมผัสก็เห็นที่ใจตัวเองตรงนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะบางครั้งในเราเป็นโดยเราไม่มี ไม่มีคุณธรรมตรงนั้นที่จะเป็นนะยกตัวอย่างเช่นว่าเป็นสามีพัญยากันเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยแต่แลกฝ่ายเนี่ยไม่ได้รู้คุณธรรมของการอยู่ร่วมกันการเป็นสามีพัญยากาันแล้วเสร็จแล้วก็เกิดสภาพจยาร้างเกิดสภาพบ้านแตกเกิดสภาพลูกกําพร้าอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยปัญหามันก็ตามมานี่คือโครงสร้างย่อส่วนนะโครงสร้างย่อส่วนลงมาว่าคนต้องเห็นตัวเอง นตรงนี้จึงไปตรงกันหลักที่เราเรียกว่าสันติโกคือผู้บรรลุจะพึงเินนไ่้เองนะเป็นธรรมะอันนี้คือจุดต่างระหว่างสังคมโลกกับสังคมพุทธนะแต่เราเองก็มาคล้อยตามสังคมพุทธเยอะเลยเช่นว่าต้องเรียนต้องสอบต้องมีคนอื่นรับรองว่าตอบถูกหรือตอบผิดอะไรอะไรนี้แล้วให้คะแนนกันถ้าในเชิงของความรู้เนี่ยก็ได้นะ แต่ในเชิงก็คุณธรรมเนี่ยเราต้องสรวจสอบตัวเราเองเรามีคุณธรรมที่เหมาะสมจะนั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะรับผิด ช, ชอบเพราะว่าไปเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการในด้านต่างๆเพราะโดยหลักการสำคัญเนี่ยคนเราถ้าเรามองเอาเอาแบบพระพุทธเจ้าเป็นตัวยอย่างเนี่ย เต่จะสังเกตมาตรฐานของพระพุทธเจ้ามันจะมีโครงสร้างอยู่ ค, คํสามคาแต่นั้นเน่ยมีเป็นธรรมธรรมมีเป็นเป็นมีธรรมหมายความว่ามีพระประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าสืบสอบดูพระองค์ปรากฏว่ายังไม่มีคุณธรรมที่จะทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะันเมื่อยังไม่มีก็ต้องสร้างให้มีซะก่อน อย่างศึกษาค้นควา้าอะไรด้วยประการต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ได้สัจจรู้หมายความว่าพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าตามที่ส่งประสงค์ก็กลายเป็นมีคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปก็คือต้องทำต่อแต่ไม่ใช่ทำเพื่อพระองค์แล้ว ทำประโยชน์แก่คนอื่นเพราะงั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยแม้แต่พระธรรมประสงค์ก็พูดด้วยโครงสร้างเดียวกันว่าเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกจะบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากเพื่อเป็นการนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือพระอารหันต์ทัสมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเราจึงพบนะฮะเราจึงพบไปโครงโ ค, ครงสร้างเนี่ยโครงสร้างสัมพิทธิโกกับปัจจตัางวิทุปโยญฮินธรรมคุณเนี่ยพพุทธเจ้าก็จสรู้เนี่ยตอนจัดสรุมันก็เกิดญาณผุดขึ้นมาภายในพระไถยของพระองค์ว่ารู้แล้วพระหารทั้งหลายก็เหมือนกันมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้เห็นรู้เห็นคุณธรรมเหล่านั้นเช่น ที่พรเจ้าทรงประกาศสถานะของพระองค์เป็นานตัสมาสมุทธ h ในมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะเห็นเห็นธรรมะเหล่านั้นอย่างที่รับสั่งแสดงแก่พระปัญญาวคีว่าถ้าพระยานสามซึ่งเกิดขึ้นในระยะสัตว์สี่มีวนสามมีอาการสิบสองของพระองค์ไม่หมดจดเพียงใดเนี่ยไม่หมดจดภายในพระทัยของพระองค์เพียงใดพระองค์จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นรานตัสมาสมุทธ h ในมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียนั้นแต่เพราะว่า พระยาณสามซึ่งเกิดขึ้นในริยสัจสี่มีบนสามีอาการสิบสองของพระองค์นั้นบริสุทธิ์หมดจดพระองค์จึงได้ปฏิญาณว่าเป็นราหัสสมาสมธมบุทธะในหมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้หลักการนี้สำคัญที่สุดทีนี้เราจะลองสังเกตว่าพอมาถึงสังคมโลกเนี่ยสังคมโดย ท, ทั่วไปหรือแม้แต่สังคมพระเวนิกโนมเอียงไปในทางนี้เยอะนะ ก็พยายามให้คนอื่นเขาให้เราเป็นเนี่ยโดยเราไม่ยามเป็นตัวเองที่จริงแล้วธรรมะในศาสนาเนี่ยการจะเป็นอะไรเนี่ยมันสู้เป็นเป็นอะไรล่ะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามเณรไม่ได้หรอกคือเราต้องรับผิดชอบในสถานภาพของเราเองเราเป็นให้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเป็นให้ชอบตามสถานะหน้าที่ตามกาลเทศะตามกลุ่มคนบุคคลที่เราก็ไปเกี่ยวข้องในขณะนั้น เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องดูที่จิตตัวเองแม้แต่เราพูดถึงใครอะไรอย่างไรก็ตามนะต้องถามจิตตัวเองว่าเราเอียงหรือเปล่าเรามีคติเราลำเอียงตัวคนเรานั้นหรือเปล่าแล้วก็เจตนาจริงๆเนี้ยเราต้องการอะไรแล้วอาจจะแสดงเจตนาที่ถูกต้องมม่ต้องถามใจตัวเองว่าวิธีการอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่า ซึ่งบางทีมันก็มีปัญหาในภาคสนามแต่ว่ามนุษย์นั้นมันจะมีพื้นฐานของวิหิงสาอยู่คือความคิดเบียดเบียนอยู่ผลอะไรก็ตามที่ให้ความสะใจให้ความมันแก่เขาแล้วเขาก็พอใจเขาก็ชอบใจในสิ่งตนางๆเพราะธรรมะเนี่ยมันต้องเห็นเองนะะอยู่ภายในใจของเราลงมีหรือไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีคนอื่นเขบอกได้เราก็ ต้องรู้ด้วยตัวเองอย่างที่ทรงแสดงว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วต้งฝั่งทั้งหลายในรมพระพิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง้องามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี